นกกระยางกับปูกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนกกระยางกับปูอาศัยอยู่ที่ริมบ่อน้ำ mm. เขาเคยจับปลาจากบ่อน้ำตรงนั้น mm. ปลาทุกตัวเกลียดเขา mm. แต่เขารักที่จะกินปลาทุกตัวเพราะว่าปลามันอร่อยมากอร่อยนกกระยางกินจนอิ่มเสมอ mm. เขาจะสนุกกับการล่าปลา เ้กิดอะไรขึนกับเรานนะกระยางแก่ขึ้นอ่อนแอลงเขาไม่เหมือนเดิมเขาบินช้าลงฉันเหนื่อยแล้วตอนนี้และเมื่อเขาลงไปจับปลาปลาส่วนใหญ่จะหนีเขาได้เพราะเขาเชื่องช้าเราปวดข้อมากเลย อย่าไปนะเดี๋ยวนกกระยางเจ้ากินอ่าไม่ตั้งห่วงเขากินไม่ได้มาสองสัปดาห์แล้วฉันแกล้งเขามาตลอดเขาขยับไม่ได้ด้วยซ้ำแต่ก่อนที่เขาจะจับฉันได้ฉันก็หนีไปไกลแล้วคอยดูนะโอ้โอ้อ้อนอดอดแล้วโอ้ เขาล้มลงน้ำและปลา ก, ก็ว่ายหนีไปหาเพื่อนเห็นไหมเราไม่กลัวนกกระยางแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเขาอดอแอร์มากเขาหาอาหารเองไม่ได้อาการของเขาแย่ลงจนปลาว่ายรอบเขาแต่เขาจับไม่ได้อ่ออายุเรานี่เราจะกินยังไงเราหิวมาสองวันแล้วนะ วันหนึ่งเขาหิวมากเขาไม่ได้กินอะไรมาหลายวันแล้วเพื่อที่จะสนองความหิวเขาไม่ต้องทำอะไรมากเขาก็เลยวางแผนโอ้รู้แล้วว่าเราต้องทำยังไงเพื่อที่จะเริ่มตามแผนเขาเลยทำหน้าเศร้าเดินไปบ่อน้ำโดยไม่ตั้งใจจะจับปลาอะไรปลากบและปู คิดว่าทำไมเขาไม่ยอมจับอาหารนะโอ้เขาดูเศร้ามากเขาอาจจะหิวก็ได้เขาจะตายไหมปูใหญ่ตัวหนึ่งเมื่อเห็นนกกระยางเศร้าเลยเดินเข้าไปยยเจ้านกกระยางเป็นอะไรไปทำไมดูเศร้านักเหรอก่อนนะมีข่าวร้ายมากถึงบ่อน้ำนี้ข่าวร้ายเหรออะไรอ่ะ ไม่ฉันไม่กล้าบอกอาะนายหรอกน้าไม่เอาหนะ่าถ้ามันเกี่ยวกับบ่อน้ําเราต้องรู้นี่มันบ้านเราเหมือนกันโอเคถ้าอย่างนั้นก็ได้ฉันห่วงว่าอีกไม่นานบ่อน้ํานี้จะไม่มีปลาอีกแล้วซึ่งผลที่ตามมาคือฉันก็ต้องหิวอาหารไม่มีปลาหรอือยังไงล่ะทำไมฉันได้ยินมาว่า จะมีคนเอาที่มาถมแล้วก็มาพาะปลูกแทนน่ะสิโอพระเจ้ามันคือเรื่องร้ายมากๆฉันต้องไปบอกคนอื่นก่อนมันแย่มากเลย yeah, แลย่มากใช่เราจะทำยังไงดีเราจะทำยังไงอะทุกคนที่บอกห่วงมากไม่ได้ยินข่าวร้ายโอพระเจ้าแล้วเราจะทำยังไงกันดี ยังอยู่บนบกได้แต่เราคือปลาเราไม่รอดแน่อ้พวกนั้นเริ่มกลัวแล้วสถานการณ์เข้าข้างเขานกกระยางเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวเรามีทางออกอยู่แล้วมีเหรอใช่ฉันรู้จักบ่อ น, น้ำที่ไกลออกไปที่สิ่งมีชีวิตทุกอย่างจะอยู่ด้วยกันและปลอดภัยถ้าพวกนายสนใจ ฉันพาพวกนายไปอีกบ่อได้นะนายจะได้ปลอดภัยยังไงเล่าโอ้ยยยขอละช่วยเราหน่อยช่วยเราด้วยช่วยเราด้วยช่วยหน่อยนะช่วยด้วยนะทุกคนในบ่อ น, น้ำยินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากนกกระยางแต่ฉันมีข้อแม้นะอะไรอะไรอะไรอะอะไรฉันต้องการพักระหว่างทางเพราะฉันเนี่แก่แล้ว และฉันพาปลาไปได้ไม่เยอะนะในแต่ละครั้งโอ้เราเห็นด้วยไม่เป็นไรเลยฉันเห็นด้วยนะเรายอบทุกตัวพร้อมจะไปกับนกกระยางตามเงื่อนไขตอนบินเที่ยวแรกนกกระยางเอาปลาเข้าปากแต่แทนที่จะพาไปอีกบอ่อเขาพาไปที่เนินเขาใกล้ๆแล้วกินให้หมดอ๋อสุดท้ายแล้วก็หายหิวสัที หลังจากที่พักผ่อนอีกครั้งตอนเขาหิวเขาเลยบินอีกครั้งเพราะแบบนี้นกกระยางก็สามารถได้กินปลาเรื่อยๆอย่างสบายในไม่กี่วันเขาเลยกลับมาสุขภาพดีและมีแรงปูใหญ่ก็อยากจะรอดเหมือนกันขอหลับพาฉันไปที่อีกบ่อน้ำด้วยเวลาเหมาะมากเลยที่จะลองกินอาหารบ่ม่โอเค ฉันจะพานายไปในทริปถัดไปในทริปถัดไปเมื่อเวลาผ่านไปอีกบอ่อต้อมาอยู่ไกลแค่ไหนกันนะนกกระยางเห็นว่าปูนั้นเป็นสัตว์ที่ไร้เดียงสาและไม่มีทางรู้ทันแผนของเขาเจ้าโง่นายคิดว่าฉันเป็นคนใช่เหรอแถวนี้ไม่มีบ่อน้ำหรอกฉันคิดแผนนี้ขึ้นมาเพื่อด้กินพวกนายทุกคน ตอนนี้เจมตายได้เลยปูรู้ถึงแผนของนกกระยางเฮ้ยฉันจะไม่ยอมตายแบบนี้เจ้านกกระยางเห็นแกตัวเขาตั้งสติเขาเรีบเอาก้ามของเขาหนีบค อ, อนกกระยางอ้ออเจ็บนะมันจะเจ็บกว่านี้อีกปูหักค อ, อนกกระยางนกกระยางตกลงมาตายคาที่ และปูสามารถพาตัวเขากลับไปที่บ่อน้ำได้และ เ, เล่าเรื่องทั้งหมดให้สัตว์ทุกตัวที่บ่อน้ำฟังทุกคนขอบคุณปูที่พยายามช่วยพวกเขาโอ้หนายฉลาดมากเลยปูไม่ล็อกนกปรยามมันตายเพราะว่ามันโลภมากไม่ใช่เพราะฉันฉลาดรอ็อกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจาเอาไว้ว่าการโลภเกินไปมันไม่ดีกับตัวเรา